เหตุฉะนั้นท่านจึงสอนให้นอนตะแคงข้างขวาอันเองเหมือนนาชสีนาชสีนอนตะแคงข้างขวาถ้าวันไหนรู้สึกมาแล้วไม่นอนอยู่ตามเดิมนาชสีมาไปหาอาหารเลยถือว่านอนไม่มีสติลุกขึ้นทำไมจึงให้นิยมให้นอนตะแคงข้างขวาเพราะจะลุกขึ้นง่ายทนพูดน สนพระโมกขลาวอะพระโมกคลาไปทําความเพียรอยู่บ้านกันละวานะมุตตะครามแขวนมากดนะันั่งพระต้องกดูเขต้องกเออวิเทงอกว่วงถ้าเธอยังงอกว่วงเธอจงเพ่งดูแสงสว่างในใจแล้วกจับ แสงสว่างไว้ในใจก็จะหายง่วงถ้ามาอย่างนั้นแล้วเธอจงอานามรูปในตาเงั้นดูดาวทั้งสี่ทิศก็จะเป็นเหตุให้เธอละความง่วงถ้ายัางละไม่ได้เธอจงเอามือลูปจัวตามฝ่ามือมีสติอยู่กับมือมีสติอยู่กับมือเคลื่อนไปเคลื่อนมาเธอก็จะละความง่วงได้ถ้าเธอละความง่วงไม่ได้ เธอก็ต้องบาริกรรมเช่นนโมทัศสามกัวตัวตัวสมาสัมพุทธะเป็นต้นหรือเธอจําอันใดไว้ซึ่งมนของเธอเธอก็ท่องอันนั้นซักก็จะหายความม่วงถ้ายังไม่หายความม่วงได้เธอจงจํากลางวันไว้ให้ดีกลางวันนั้นมีลักษณะเป็นยังไงมีความสว่างเป็นยังไงเธอจงทําจิตทําใจของเธอให้จําสัญญาสัญญาความจํากลางวันไว้เป็นรสชาติยังไงกลางวัน ให้มันสว่างในจิตถ้ายัางละไม่ได้เธอจงนอนตะแคงข้างขวาซ่อนพระบาทเรือมกันแล้วเธอจงนึกในใจว่าเราจักไม่ยินดีในการเองข้างเอ็นหลังเราจักไม่ติดอยู่ในสุขในการเองข้างเอ็นหลังเราจักไม่ยินดีในการเคลื่อนหลับเธอก็จะละความห่วงได้ พระโมกขาลาก็ตั้งใจทำความเพียรในวันนั้นก็สำเร็จพระ่หันซ ะ, ะวิธีละควา ม, มง่วงไม่ได้หลายอย่างวิเชทุกขมัจเจติคนร่วงทุกได้ก็พระความเพยยียรความสำเร็จอยู่กับความพยายามพระบระมราชชนกเขาพยายามทำชั่วมันก็สำเร็จเหมือนกันแต่มันให้ผลต่างกัน ริ่งพกขึ้นภูเขาก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเนอ้ขอขบเราชาติะฝนทั้งให้เป็นเข็มก็เหมือนกันเธอทั้งหลายจงทำความเพียรเถืดเดี๋ยวพวกเธอจะเสียใจในภายหลังไฟไม้สีรษะพวกเธออยู่พวกเธอจะนอนใจได้หรือมเมื่อพวกเธอยังไม่มียาณาวพนทุกในวัดต้สงสาร เธอทั้งหลายอย่านอนใจนเนอะเวดระายเดี๋ยวเธอจะเสียใจในภายหลังคำสอนแต่ละวัดระบายก็ค่ายๆกับว่ามาเถิดโูคร้านเ อ, อ๋ยมาทางนี้ทางนั้นมันวุ่นวายมันขัดข้องค่ายๆกับวัยอ่ะพ่อข้ามมาเลยอะ พวกลูกหลานยังไม่ข้ามมาเถิดมาเถิดค่ยๆกับคำสอนแจ่กวัดกระบัรพระพุทธศาสนารอมอยู่ไม่มีกัาวันืนปรากฏอย่างนั้นผู้นอนใจในวัดตาสงสารกับผู้นอนใจในหลุมฐานเพลิงก็มีความหมายอันเดียวกันพระก็ลงาสาาเธอทั้งหลาย จงทำเหมือนนกเขานกกระธานั่นเถิดเขาขังไว้ในกรงเขาเอาน้าใส่กระบอกถอกน้าใส่กระลากินอิ่มแล้วก็ไม่นอนใจวนเวียนอยู่ในกรงขังพอได้ช่องออก บ, บินปลื น, นี้เลยไม่กลับคืนมาไม่เหมือนหมูหมูเขาหลอกมาก็ต้องคืนมาอีกนึ้นนกเขานกกระานนไม่พุ่นเชื่อมเลย ขันไดก้อยพวกเธอจะมีราบมียศสักเพียงใดก็ตามถ้าพวกเธอยังไปพ้นทุกข์ในวัดตาสงสานก็อย่านอนใจเน้อพรรารามอภิชักอะไรยะคาถาวัตถุคือถ้อยคำคำที่ควรพูดเซฟอย่างหนึ่งอภิชักคถาถ้ายคำแสดงนำให้มีความปาจถนาน้อยสันตุชิกคาถาถ้อยคำแสดงนำสันโดษยินดีก่าปัจจัยตามมีตามได้ ไปเวกคาถาถ้อยคำที่เัียกนำให้สงัดกายสะกดใจอสังสารคาถาถ้อยคำที่เัียกนำให้รักคนด้วยหมู่คือหาเวลาออกปฏิบัติบ้านอย่าพุ่คีกันเกินไปวิทยานำพระคาถาถ้อยคำที่เรียกนำให้สางรกความเพียรศีลคาถาถ้อยคำที่เรียกนำให้ตั้งอยู่ในศีลสมาธิคาถาถ้อยคำที่เรียกนำให้ทำใจให้สงบปัญญากถาถ้อยคำที่เรียกนำให้เกิดปัญญาวิมุตติกถาถ้อยคำที่เัียกนำให้พ้นจากเกเรตวิมุตติยานัตถนาคถา ค่อยคาที่จะนำให้เกิดความรู้ความเห็นในความที่ใจพ้นจากเกิียดชิบข้อนี้เนี่ยกับผมแล้วลึกอยู่แล้วลึกอีกข้อหนึ่งให้มันเป็นชิบเล็กจั๊กทาอันนี้เป็นของไม่ควรเนินชาเนอะพระบรมศาร า, ษ า, าให้แล้วลึกอีกข้อหนึ่งท่านเทศเพระคุณะมันตาเนบุตร ทำมันมีนิดเดียวที่พระบรมศาลาสิ่งไหนเป็นมานเธอทั้งหลายอย่ายินดีในมานเด้อนพระบรมศาาอะไรที่เอากับมาณรูปเวทนาสัญญาสังขาร น, นี่เองเป็นมารสิ่งไหนที่ที่เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตน เธอทั้งหลายอย่าไปยินดีเนี่ยอันนั่นเน้อให้เจ็ดหลาบจ้ะอ ะ, อ, อะไรเรียว่าสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาตาัตตะก็คือรูปขันนามขันเราดีๆนี่เองอวนลงมาเป็นสองรูปขันนามขันรูปขันอะไรก็ดีน้ํามไฟลมผสมกันเป็นกายรเรียกว่ารูปนามขันคืออะไรคือเวทนาสัญญาทั้งขานวิญญาณรูปก็เป็นรูปตามหนึ่นามก็เป็นนามตามเนึ่ง ถ้าขยายออกก็เป็นห้าถ้าย่อลงมาก็เป็นสองขยายออกคืออะไรรูปเป็นรูปตจำเดิมเวทนากองหนึ่งสัญความสวยอารมณ์สุขทุกข์เปรียดหาสัญญาความจําจํารูปจําเสียงจํากลิ่นจํารสรูปะสัญญาสัทธะสัญญาขันธะสัญญารัสาสัญญาผลสัพพะสัญญาธรรมะสัญญาจํารูปจําเสียงจํากลิ่นจํารสจําหตพระภะจำธรรมอารมณ์เยาวคองสัญญาสังขารกุลแต่แห่งกิเให้ดีให้เสื่อมหรือให้กลางกาวิญญาณความรู้ทางตาตะกูเวียญาณโซตตาเวิยญาณขานะวิยญาณชิวหาเวิยญาณกายะวิยญาณมโนเวิยญาณ เธอทั cues, <IS convert to Christians> ้งหลายอย่าไปยินดีเนอเพราเกิดแล้วดับไปสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่บุคคลเน้อเธอทั้งหลายอย่าถือว่าปัจจุบันอดีตอนาคตเป็นตนตัวเราเขาเน้อเธอทั้งหลายอย่าถือว่ารูปขันนาำขันเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเน้อเธออย่าถือว่าดินน้ำไฟลมเป็นเราเป็นเขาเป็นตนเป็นตัวเป็นสัตว์เป็นบุคคลเน้อมีแต่เกิดขึ้นแล้วแปรลบวนและดับไปสิ่งไหนเกิดขึ้นแล้วแปลบวนและดับไปเธออยากเข้าใจว่าเป็นเธอเน้ออย่าเข้าใจเป็นของเธอเนอพระบรมศารีรา นั่นคือวิปัสสนาธุระเพราะธุระทางปัญญาไม่ใช่สมถะธุระวิปัสสนาธุรก็คือปัญญาคือธุระทางปัญญาไม่ใช่สมถะธุระเหตุนั้นจึงว่าวิปัสสนาธุระคือมีปัญญาเป็นหัวหน้าเป็นธุระธุระทางปัญญาเพราะปัญญาจึงจะไปชนะความหลงหลงติดในสมาธิก็คือปัญญาที่จะไปชนะหลงติดในปัญญาก็ปัญญาท่านั้นจะแก้กัน ใครหลงปัญญาใครจะรู้เท่าปัญญาก็ปัญญาเท่านั้นจะรู้เท่าปัญญาใครจะรู้เท่าสมาธิก็ปัญญาเท่านั้นจะรู้เท่าสมาธิใครเป็นผู้รู้ศีลผู้ไม่มีปัญญารักษาศีลคุ้มไหมก็ไม่คุ้มอีกเหมือนกันผู้ไม่มีปัญญาจะให้บริจาคทานเป็นไยก็ไม่เป็นเหมือนกันผู้ไม่มีปัญญาจะรักษาศีลได้เหมือนกันไม่ได้ไหมก็ไม่ได้เหมือนกันผู้ไม่มีปัญญาก็ไม่รู้ปัญญาก็ปัญญาเป็นนายหน้าของธรรมทั้งหลาย เป็นกองพลชั้นที่หนึ่งโลกโกรธหลงหลงเป็นกองพลชั้นที่หนึ่งปัญญาก็เป็นกองพลชั้นที่หนึ่งจะไปต่อสู้ขับหลงถ้าชนะความหลงแล้วก็ต้องชนะหมดความหลงจะไปชนะกันที่พระอรหัน ต, ตผล พระนาคามีก็ยังมีหลงอยู่พระโสดาบันหลงอันหยาบหยาบขาดไปแล้วโรคอันหยาบหยาบก็ขาดไปแล้วโกรธอันหยาบหยาบก็ขาดไปแล้วพระสกทาคามีก็ละเอียดไปกว่าพระโสดาบันโรคอันหยาบหก็ขาดไปแล้วละเอียดกว่าพระโสดาบันว่าส่วนพระนาคามีโรคกับโกรธหายไปแล้วยังเหลือหลงนิดเดียวเป็นตะกรอยอยู่โรคขาดไปแล้ว โปรตขาดไปแล้วยังเหลือหลงหลงนิดเดียวเท่านั้นพระอนาคาเป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตัวว่าเลิศกว่าเขานี่เป็นผู้เล e ิศกว่าเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เลิศกว่าเขาสำคัญตัวว so ่าเร็วกว่าเขาเป็นผ <ONA> ู้เสมอเขาสำคัญตัวว่าเลิศกว่าเขาเป็นผู้เสมอเขาสำคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้เสมอเขาสาคัญตัวว่าเร็วกว่าเขา เป็นผู้แล้วกว่าเขาสําคัญตัวเลื่กว่าเขาเป็นผู้แล้วกว่าเขาสําคัญตัวว่าเสมอเขาเป็นผู้แล้วกว่าเขาสําคัญตัวแล้วกว่าเขาเพราะสําคัญตัวอยู่ทุกอิริยาบทส่วนพระอหัน์ไม่ได้สําคัญตัวอยู่ทุกอิริยาบทเลยเขเห็นรูปกายนามกายเป็นสังขารว่ล้วนไม่ได้ยึดถืออันใดพระหันจิตก็เป็นในสักว่าจิตผู้รู้ก็เป็นในสักว่าผู้รู้ไม่มีใครไปยึดถือผู้รู้ไม่ไปมีมีใครไปยึดถือว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิต ไม่มีใครไปยึดถือผู้รู้ว่าเป็นตนตนเป็นผูรู้หรือผู้รู้มีในตนตนมีในผู้รู้หรือจิตมีในตนตนมีในจิตพระอรหันต์ท่านไม่ยึดถือเลยท่านเป็นสักว่าเห็นเป็นสักว่ารู้ไม่สําคัญว่าสุขทุกขเวกขาเป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเลยสุขก็เป็นสักว่าสุขทุกขก็เป็นสักว่าทุกตามสมมุติบัญญัติทุเบกขาก็เป็นสักว่าอุกขเวรขาถ้าไม่ยึดถือสิ่งใดๆในโลกเมื่อไม่ยึดถือสิ่งใดๆในโลกท่านก็ไม่สําคัญว่าท่านได้อะไร ท, ท่านก็ไม่สําคัญว่าท่านเสียอะไรอีก ท่านก็ไม่สำคัญว่าท่านแพ้อะไรท่านก็ไม่สำคัญว่าท่านชนะอะไรองแค่นี้เรื่องของท่านก็ไม่มีนะท่านพระอรหันต์ท่านรักษาจิตไม่ท่านไม่รักษาเพราะจิตของท่านไม่มีโทษท่านจะรักษาอย่างไงผู้ที่ไม่พ้นถ้าไม่รักษามันก็มีจริงจริงนั่นถ้าพระอรหันต์ยังรักษาจิตอยู่พระอรหันต์ก็ต้องเป็นคนคุมนักโทษก็ต้องทุกตาย เพราะเก่งว่านักโทษจะรักหนีและเก่งนักโทษด้วยจะต่อสู้เราด้วยเหตุ น, นั้นท่านจึงไม่ลำบากกับจิตเลยเพราะจิตไม่มีโทษท่านก็ไม่รักษาเออกูจะทำจิตให้ดีกว่านี้ไปกูจะทำยังไงหนอก็ไม่มีในปัญหาของท่านเพราะท่านไว้ยึดถือว่าจิตเป็นตนจนเป็นจิ ต, ต, ตแล้วเช่นี้มานะ ท, ทิิจะมีมาจากประตูใดล่ะนักหนักนั ความสำคัญว่าได้ว่าเสียจะมีมากจากประตูใดล่ะถ้าอย่างนั้นก็ศูนย์สิถ้าไม่สําคัญว่าท่านเป็นศูนย์ไม่สําคัญว่าศูนย์เป็นท่านถ้าไม่สําคัญว่าศูนย์เป็นท่านหรือท่านเป็นศูนย์ถ้าไม่สําคัญว่าศูนย์มีในท่านท่านมีในศูนย์เมื่อไม่สําคัญตัวในที่ใดๆ กิเลสมาลนะทิฏฐิมันก็จบอยู่ลนะที่นั่นเองอวิชชาคือความโง่ตัณหาความทะเยอทยาในโลกทั้งปวงมันก็ดับไปลนะที่นั่นเองอุปาทานกามุปปาทานถือมันในกามทิฏฐปาทานถือมันในทิฏฐิสีระพตุปาทานถือมันในสีระพต์ก็ไม่มีในท่านซะกาโอคะโอคะคือกามก็ไม่มีในท่านซะเพราะว่าโอคะโอภะคือพบ ทิฏโธขะโอคะคือทิฏฐิอวิฏโธขะโอคะคืออวิชชาก็ไม่มีในท่านสักข้ามก็ท่านก็ข้ามทะเลลงไปแล้วชั่วรักเนื้อมือเดียวเลยเพราะอาปัญญาข้ามท่านข้ามปัจจุบันแล้ยท่านไม่ยืนยันวปัจจุบันเป็นท่านท่านเป็นปัจจุบันไม่ยืนยันว่าอดีตอนาคตเป็นตนตนเป็นอดีตอนาคตไม่ยืนยันว่าปัจจุบันเป็นตนเป็นเป็นตนเป็นปัจจุบันแต่อาศัยปัจจุบันปฏิบัติเพื่อข้ามพ้นทุกข์อาศัยปัจจุบันเป็นตัวศีลสมาธิปัญญา เมื่อรู้เท่ารู้ทันทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็หมดเรื่องกันการเขียนก็ไม่มีการลบ ก, ก็ไม่ต้องมีการจินก็ไม่ก็ไมมีการชี้ก็ไม่ต้องมีการเกิดก็ไม่มีการตายก็ไม่มีเพราะตายมันไม่จะเกิดงานจากเพืชของเกิดความหลงไม่มีก็ไม่มีเพิดจะเกิดอีก คนเราเอาอะไรไปเป็นเกิดอีกก็เอาความหลงอัต่ะที่เรียกว่าอาวิชชาอาวิชชาก็าแปลว่าโง่เมื่อฉลาดเหนืองโง่ไปแล้วโง่จะมาจากประตูไหนเมื่อสว่างนี้เมื่อไปแล้วเมือ่อจะไม่มีมานั่นนั่นัน่น น, น, น, น, น, น, นั่นอยู่ที่ไหนนั่นอยู่ที่ใจของผู้ฟังและผู้พูดพระเดชวัตรพระพุทธศาสนาไม่หวังเพือ่อพ้นทุกข์ในวัฏฏสงสารมันก็ไม่คุ้มค่าของเกียรตินา่ เกตนาใครเป็นอย่างนั้นหรือไม่เป็นอย่างนั้นมันก็ต้องถามตนเองจะให้คนอื่นมาให้คะแนนก็ไม่ได้จะให้คนอื่นมาบุบก็ไม่ได้เพราะมีอิสระให้เห็นเองเป็นสันทิษฐ์โกสันทิษฐ์โกเห็นเองสันทิษฐ์ที่โกนี้จะใช้ได้เพียงแค่ไหนก็ใช้ได้เพียงพระตักขตาเพียงพระโสดาวันเป็นต้นไปส่วนสันทิษฐ์โกในทางโลกีเขาไม่เอามาใช้ ผู้ที่เขาไม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาเขาก็รู้จักว่าเขาเลื่อมไม่เลื่อมใสพพุทธศาสนาจัดกันจัดเป็นสันติที่โกเห็นเองก็ไม่ไม่ถูกมันมันทั่นเฟือเกินไปมันฟั่นเฟือเกินไปมันเอาเป็นประมาณไม่ได้ผู้เขาไม่เลื่อมใสพพุทธศาสนาเขาก็รู้ว่าเขาไม่เลื่อมใสพระพุทธศาสนาอยู่จะจัดเป็นสันติที่โกบ้างหรือไม่จัดก็ฟั่นเฟือเกินไปคําว่าสันติทีิโกในทางพุทธศาสนาเห็นเองไม้เอาแต่พระโสรารวันไป สันติทีโกพรลรหันจบแล้วพอเห็นชัดแล้วเห็นเองชัดแล้วว่ากิเลสโลกโกหลงของเราหมดแล้วเราก็ปฏิบัติเหมือนอย่างนั้นทัศนานุตริยะเราก็เห็นเยี่ยมแล้ววฏิที่ปรานุตรียะเราก็ปฏิบัติเยี่ยมแล้ววิมุตตานุตรียะเราก็พ้นเยี่ยมแล้วนี่ท่านเห็นอย่างนั้นนั่นก็หมดความสงสัยทางท่านโลภโกหลงเราก็รู้ตามเป็นจริงแล้วเราละได้เท่าไรเราก็รู้จักแล้วเราพ้นไปเท่าไรเราก็รู้จักแล้ว ไม่มั่วสุ่มเลยเหมือนเราทํางานเราทําได้ขนาดไหนเราก็รู้ว่างานเสร็จก็ไม่เสร็จก็ต้องรู้เหมือนเรากินข้าวในโรงในอาหารน่ะทาเรายังเท่าไรเราจ ะ, จะอิ่มแต่มันไม่คืนมาหิวอีกมันไม่เป็นเหตุมาให้เราละอีกเพราะรู้จักว่ามันทนไปแล้วทนไปทั้งอดีตอนาคตทั้งปัจจุบันแล้วไม่มีงานใดๆเลยเพราะชนะแล้วเมื่อเราไม่มีของเราไม่มีผู้อื่นไม่มีของผู้อื่นไม่มีเนี่ย ความแพ้ความชนะจะมาจากไหนความเก่งว่าแพ้ชนะก็ไม่มีมา เ, เมื่อเราไม่มีของเราจะมีมาจากประตูใดก็มีแต่สังขารและความทุกข์เหตุนั้นความแก่เก็บตายตามไปถึงพระหันท่านจึงไม่รับเพราะท่านทิ้งแล้วขันเทวบากท่านทิ้งแล้วแต่พวกเรามันตามมามันก็ได้ทั้งหนังทั้งเขาเพราะเรามีกลื่อนยึดถืออยู่ใช่ไหมนะ แกเก็บตายไปตามถึงพระรหัสมันไม่ถึงท่านเพราะจิตของท่านเหนือถึงเหล่านั้นไปแล้วเหมือนเราถอดตังเกีงไปทิ้งไว้ในถนนเขาโกรธให้เรากางเกงของเรามันทิ่งแล้วมันเก่าแล้วเขาเออกไฟไปเผาเราก็ไม่เสียดายเพราะเราทิ้งแล้วทันในก็ดีขันห้าของพระรหัท่านทิ้งแล้วท่านไม่ส้าคัญตัวอยู่ในขันห้าท่านไม่สําคัญตัวขันตัวอยู่นอกขันห้าเสร็จแล้วท่านไม่เข้าใจว่าขันห้านี่เป็นของท่านหรือของคนอื่นเมื่อมาท่านไม่สําคัญอะไรอะไรเป็นแต่ มีแต่กองทุกข์และสังขารอยู่นี่มันก็หมดเรื่องของท่านเลยอดีตอนาคตก็เป็นแต่สักว่าอดีตอนาคตขันก็เป็นแต่สักว่าขันเมื่อไม่มีใครยึดถือเอาเป็นเจ้าของมันก็ไม่มีทุกข์จริงใดที่ไปยึดถือว่าเป็นเจ้าของสิ่งนั่นจะไม่มีโทษย่ไม่มีในโลกพระพุทธศาสนาธรรมท่านสูงเน้อนี่เน้อเหตุฉะนั้นท่านเทศพระพานิญญา ท่านจึงเทศว่าพระพาเฮยะท่านบอกว่าพระบรมศาสดาเทศให้กับผมฟังด้วยเออแล้วก็เดินเมินทบาดอยู่เดี๋ยวนี้มันไม่สมทันอ่ะเอ อ, เออบางที ท, ท่านองค์หลวงปู่พอตายนะก็ผมก็จะตายเป็นเออถ้าอย่างนั้นก็ไม่ยากเป็นแต่สักก็รูเป็นแต่สักแคว่าเห็นเนอะคับคับพอแล้วไปเลย ก็เพราะอะไรก็เป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นไม่ใช่สักไม่ใช่บุคคลเพราะเห็นใดจึงเทศหลังนั้นเพราะท่านสร้างบา ร, รมีแก่ก้ามาแล้วเพลงเดียวเลยดอกบัวมันระบาลแล้วได้รับแสงแดดมันกรบาลเลย <c oughs> ถ้ายังเรา ถ้าเห็นสิ่งไหนว่าเป็นประโยชน์เราก็ละได้ถ้าเห็นว่ามันมีประโยชน์อยู่มันก็เว้นไม่ได้ถ้าเห็นสิ่งนั้นมีแต่โทษรล้วนมันก็ไม่เข้าอยากไปหานี่ท่านลุมถ่านเพิงอย่างนี้เราก็ไม่ใช่ได้อยากลงไปลุยพระตัวดาวันก็ไม่ใช่ได้อยากรวงละเมิดชิ้นห้าก็เพราะอย่างนั่นเองเพราะมันเห็นว่ามันมีแต่เว้นแต่ไปรนล้วนนั่นเองท่านจึงไม่ใช่ได้อยาก่วงละเมิดท่านเห็นว่าอบาลยมุขมันเป็นทาง ชิบหายน้าเดียวดิง<ม>่งเห็นชอบตามเป็นจริงแล้วข่าก็ไปเชียดใจอยาอ่างร่วงแล้วเวยอันนี้พวกเราเราเห็นว่ามันจะได้อยู่นี่ก็มึงว่าตัวไหนมึงว่าตัวไหนอยู่อย่างนั้นนั่นนั่นถูกไหมละ่ะนั่นเอาละ่ะทีนี้พูดไปที่ไหนก็ของเก่านั่นเองเอา ส, ะะสนาธโมสนันตโนข้าทำเป็นของเกา่าอมีนิดเดียวเท่านั้นไม่มีมาก ถ้าหลงมาเราว่าเขาอะมันเขาไม่ไปง่ายอะมันก็ไม่พ้นผู้หวังพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารพยายามตัดเราตัดเขาออกเท mm. ่านั้นผู้พอเป็นเนื้อใจก่อนแล้วแต่อันนั้นผู้หวังพ้นทุกข์ในวัฏฏะสงสารในปัจจุบันนี้ขทําไมเขาจึงหวังพ้นทุกข์ในปัจจุบันนี้ขเพราะเขาเห็นภัยในวัฏฏะสงสารอย่างเต็มที่แล้วเขาก็ไม่อยู่เพราะเป็นนกเขานกทาแล้วเออเขาก็ไม่อยู่ไม่นอนใจเลยไม่นอนใจในหลวงฐานเพลิงเลยเขาประสบการณ์มาแล้ว ที่ประสบการณมาแล้วนั่นเองมันเป็นพยานเอา้าแต่เราผ่านโรคมานี่อะไรบ้างเป็นของเที่ยงไม่มีนะมีแต่ของเกิดขึ้นนี่แตกสลายไปหมดนะ่ที่เราผ่านมานะคำพูดแต่ละอย่างละอย่างเนี้ยนี่ก็ล่วงไปล่วงไปใช่ไหมความนึกขึ้นแล้วามนึกขึ้นน่ะก็ล่วงไปล่วงขึ้นน่ะก็ล่วงไปรมพัดมาก็ล่วงไปรวมพัดมาก็ล่วงไปนี่คืออันิีจังอันละเอียดซึ่งเห็นอยู่ซึ่งหน้าอทัศ ต, ตาธรรมเห็นอยู่ซึ่งหน้าริกษุตาธรรมทำภายนอกทำภาย น, นอกก็เกิดดับเป็นหมด มือนี่ม <masculine. je S 1> ือนี่มือนี่มือนี่มือนี่เกิดดับเป็นทางนั้นเห็นอันนี้จังคัดมันก็ไม่สงสัยโรคพระโลกอยู่ใต้อำนาจอันนี้จังเห็นอันนี้จังคณะจิตเดียวก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเห็นทุกขณะจิตเดียวก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วพระโลกจะไปด้วยกองทุกเพระโลกจะไปด้วยอันนี้จัง เมื่อเห็นโลกชัดอย่างนี้แล้วความยินดีในโลกจะมาจากประตูใดไม่ไหวแต่เห็นตามสัญญาเท่านั้นเห็นตามสัญญาเคยหูก็ฮัดปากว่าแก้วเจ้าขากิเข้ากับกล้วยกินอยู่ก็ไม่รู้จักกล้วยถ้าไม่รู้จักกล้วยถัาคัดมันรู้จัก ค, จความเกิดความดับชัดๆแล้วมันจะทะเยอทะยานอะไรนั่นนั่นนั่นั น, น, น, นได้อะไรมามันก็ไม่ตื่น เกิดมามันมันมีร่างกายมันก็ไม่เป็นเออกูจะตายคำว่ากูก็หมายความว่าสมมุติหมุนนี้หมุนนี้ก็ทาตดินน้ําไฟลมดินแปลกไปเป็นดินน้ําไปแตกเป็นน้ําไฟไปแตกเป็นไฟลมไปแตกเป็นทมเห็นชัดเห็นอนไรจังชัดก็เห็นทุกชักเหมือนกันก็เห็นอนัตตาชัดเหมือนกันเพราะเป็นเต้าอันเดียวกันเมื่อเห็นความแก่เก็บตายชัดก็อันเดียวกัน ความแก่ก็อยู่นี่ความเก็บก็อยู่นี่ความตายก็อยู่นี่ใช่ไหมอันเดียวกันไม่ใช่อยู่คนละมุมโลกใครเป็นผู้เห็นก็ผู้นี้มันผู้เห็นนผู้คิดใจผู้เห็นก็อยู่ที่นี่ผู้ไม่เห็นก็อยู่ที่นี่นะนนั่นถ้าเห็นก็รู้เท่ากันนี้สมมติทั้งหลายใครไปสมมติก็ผู้นี้ไปสมมติใช่ไหมเมื่อผู้นี้ไปสมมติว่าตาหูจมูกเลี้ยงกายอะไรตาหูจมูกเลี้ยงกายมันอยู่ในอานาจวาสนาของผู้นี้ไหมมันก็ไม่อยู่่ะ ท่านมาใส่ชื่อเรนามว่าให้ข้าพเจ้าเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายข้าพเจ้าก็าจะอยู่ใต้อำนาจของท่านเขาก็มาได้บอกไอ้นี่ไอ้ตัวนี้มาสมมุติเขาก็มาให้รู้เท่าสมมุติของตนสินั่นนั่นนั่นเราสมมุติว่าเราเราอย่างนี้มันอยู่ไหมถ้ามันอยู่มันก็ไม่ตายสักทีมันก็ไม่แก่สักทีนั่นนะั่นนะั่นะนะนะครับครับมาใส่ชื่อเรียนามให้ผมเป็นตาผมก็จะเป็นละใส่ชื่อเรีนามให้ผมเป็นหูผมก็จะเป็น ใสชื่อหรือนามให้เป็นจมูกเลี่ยนกายผมก็จะเป็นเขาก็ไม่บอกเขาก็ไม่รับเขาก็ไม่ปัดอีเขาก็ไม่อุเบกขาอีเขาก็ไม่ อ, อุ เ, อเบกขวางอีกทีนี้ใจที่ไม่มีใครใส่ชื่อหรือนามให้ตนตนก็บัญญัติตนว่าใจใจใจใจเอาโขนสวงหัวถ้าไม่รู้เท่าใจก็เป็นทุกข์อยู่ที่ใจสมนาหน้านั่น <laughs> นั่น น, น, น, นัไม่มีใครบัญญัติให้ตนตนก็ใส่ชื่อตนว่าใจ เมื่อไม่รู้เท่งใจก็เป็นทุกข์อยู่ที่ใจใครมามาไม่มาเป็นทุกข์ด้วยใช่ไหมนั่นตาหูเข้าไม่มาเป็นทุกข์ด้วยถ้าหากว่าตาหูเป็นทุกข์คนชิ้นโลภานแล้วไม่มีกิตลอยู่ที่นั่นเราไปข้ามมันมันก็ไม่โกรธเนี่ยเราไปใส่ไฟมันก็ไม่โกรธเนี่ยเดี๋ยวนี้เอาไปใส่ดูสิมันมึงมันจะกลูหรือขนาดนั่นถ้าเรามีกิเลสกิเลสปฏิเสธไม่ได้ถ้าปฏิเสธไม่ได้ การเห็นโทดเิเลตก็ปฏิเสธไม่ได้การตะละเจเลตก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันเอาละเอวังเอาละห้ามไม่พูดมากพูดไปตะพื้นตะพื้แล้วเนี่ยแต่ก่อนเคยท่านเคยได้เป็นลิงนิสัยของลิงก็โจรนิสัยอันนันตามมาไง ลิฟไซด์เดิมเราไม่ได้บางองค์ก็บางท่านก็ฟังเทศก็แล้วก็ทักประงกฟังเทศก็ทรัประงกประกพระรศาสดาบอกว่าแต่ชาติก่อนเธอเคยเป็นงูเหลื่ยมเธอเคยเป็นงูเหลื่ยมรักนอนที่สุด ลักยินดีในการหลับยินดีในการเคลื่อนหลับการพูดนั้นัแต่เราขอเสียนามตากับองค์หลวงปู่มั่นลร้ครั้งเสียนามตากับองค์หลวงปู่เทเสียนามตากับองค์หลวงปู่มหาเอ่อ เสียน้ำตากับองหลวงปู่มั่นมากหอยทิ้งน้ำตาเสียน้ำตากับงองหลวงปู่เทพมันเกิดจะรั้งเมตที่นี่ภาวนาฮัตภาวนาใหม่ๆพวกนี้ศรัทธาจิตเนะพวกนี้ศรัทธาเฉลีนะ เออเธอเป็นคนอกตันยูดายเจ้าของพัดภาวนาใหม่ๆที่บวชว่าใหม่ๆเธออกตัญยูผ้าหม่มจีวรหรืออะไรอะไรจีวรวินทบาดเสนาธนาและเพรศ ท, ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของพระบรมศาสลาและพระธรรมแลพระสงฆ์ทางนั้นเธอเป็นคนอกตันยูดายเจ้าของเลย เธอไม่ได้รกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เป็นร่ำเป็นสันเสียเลยทำท่าทำทางเป็นวุฒวาสนาของตัวอายติแทะมาเลียมเรียวาสนาของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เธอสําคัญว่าเป็นวาสนาของเธออย่างนั้นหรือถ้าเธอไม่สําคัญอย่างนั้นเธอก็นั่งภาวานากําหนดลมหายใจเข้าออกพร้อมกับพุทโธดูสิทำโมสังโฆก็กลมกลืนกันอยู่นั่นแหละเป็นแต่เพียงว่าอัคคัอยอดเฉย ภาวนานั่งพุทโธพุทโธพอเขาลงหายใจเขาออกจีบอลมันเปียกนวดมันไหลออกมาไอ้ตัวกิเลสมันไม่รู้ว่ามาจากไหนเปียกนดจีบอลอยู่คนเดียวทีนี้ไปเห็นเขาทำรูปช่างไว้รูปช่างป่าอะไรอะไรเรื่งเอก ลิงก็เอารวงพึ่งที่แม่มันหนีแล้วมาถวายพระบรมสารีรากุลพระบรมสารดรานั่งห้อยเท้านั่งห้อยเท้าอย่างนี้ถ้านไม่ได้นั่งอย่างนี้ท่านนั่งอย่างนี้ท่านนั่งอย่างนี้ท่านเอามือทําอย่างนี้ชาติก็เอาหัวบัวมาถวายหมูปรงยกมือให้หมูย่ยู่เขาเขาทําเป็นรูปอยู่ที่วัดสุทธวาส สกลนครเราไปเห็นทีแรกเออเขาเป็นสัตติเลฉานน่ะเขายังรู้จักกราบรู้จักไหว้พระบรมศาสนาเลียงก็เหมือนกันช่าก็เหมือนกันแต่มนุษย์ปนาเราทําไมจึงไม่รู้จักเธอรู้จักไหมท่ะนนั่นเห็นไหมตัวอย่างสัตติเลฉานแทๆ้ๆยังรู้จักกราบไหว้พระสมาด็พุทธเจ้าเราตาไรายอยู่คนเดียว แปลกเหมือนกันเรานิสัยเราเป็นมาแเด็กเราไปเข้าไปในป่าเห็นก้อนอิด ก, ก้อนปูนที่มันหักพังทลายลงในวัดเก่าๆที่ไม่มีพระอยู่นั่นเป็นวัดโบราณกว่าพันปีอย่างนี้มองนั่นมองนี่เออท่านคงจะเดินจงกลมอยู่นั่นท่านคงจะนั่งอยู่นี่ท่านคงจะท่องหนังสืออยู่นี่ นึกไปนึกมาเหลือบไปเหลือบมาสมมติไปล้ว่าน้ำตาไหลแปลกเหมือนกันอันนี้ใสเป็นอย่างนั้นเป็นกามาพัชระกุศลกามาพัระมหากุศลเนือกุศลใดๆทั้งทิ้นพวกน้ำตาไหล่อไปเนี่ก็ให้พอรนอนะ ลูอ้าเอามาดูร้วปะลูกลูมเดินไม่เท่าเนอะลูไม่เท่านะปะฮะอืออือเก้าสิบสามอแปดสิบสามอะไแปดสิบสามออือแปดสิบสาม 93. ม, มาเห็นลองปูนอนอยู่แม่งลุกขึ้นต้อนรับแล้วนอให้เลยปูก็ปูขึ้นลูกปูคอน้าม่นี่12 ป, ปีเล้คอน้าม่นี่จึงได้อันูนี่ มาปีที่แรกมาปีที่แรกก็กระตับฟางเขามูงให้แล้วก็พอหลวมกฎนั่นเองลมพัดมาก็ไกวตรงเตงตรงเตงอยู่อยู่นั่นสามปี อ, อกากนั่นก็าเข้ามาอยู่กุฏิกุฏิที่ไม่มีฝาแล้วก็ทำเส้นแถบออกมาเวลาจะเปิดรับอ า, าสาก็ข่ําออกเหมือนนกจะบิน ถ้าอสอกทางออกจากนั่นมาก็มาอยู่กุฏ่นั้นออกจากกุฏ่นั้นมาก็มาอยู่กุฏินี้สองพันห้าร้อยมาอยู่นี่สองพันห้าร้อยอยู่ก็หลวงปู่มันสี่พันษาอยู่กบร้องปู่เทศ 3, สามพันษาอยู่กบร้วงปู่มหาเกตพันษาก็ว่าได้นะบัวอยู่ก็หลวงปู่เหรียญสามพันษา ไม่ไม่มีมีแต่ดอกทุกข์นะปีนมันปีนมันปีนขึ้นเขามันทุกข์ปีนขึ้นเขามันทุกข์นะมันปีนขึ้นเขามันทุกข์ไม่ไม่ปีนขึ้นเขามันทุกข์มาปีนทุกข์แต่ว่าส้นแหลมเนอะส้นแหลมอืแต่ว่าส้นแหลม อัอจัมบัญัเกรติปัจจัยบัญญธรรมบรรด า, า, าที่พุทธพุทาเข้ากอกไม่ได้เสียโดยีร่องจะเอากับเขาไหมเอาไหมโดยขีร่องอืมอืม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 จงพิจารณาสังขารตามเป็นจริงของสังขารจงพิจารณาพระนิพพานตามเป็นจริงของพระนิพพานยาติดอยู่ในเงื่อนทั้งสองรูปอดีตตามเป็นจริงของอดีตรูปอนาคตตามเป็นจริงของอนาคตรูปปัจจุบันตามเป็นจริงของปัจจุบันแต่ยาติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามอดีตคืออะไรคือผู้รู้ที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือผู้รู้ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือผู้รู้ที่กําลังเป็นอยู่ เธอทั้งหลายจงพิจารณาเห็นแต่สักว่ารู้แล้วอพอเนอ้อเธอทั้งหลายอย่าไปยึดถือเอาเป็นเจ้าของเนอ้อเ ร, ราบรมศาสาธรรมชั้นสูงถ้าเธอทั้งหลายไม่ยึดถือว่าอาดีตเป็นตนตนเป็นเอตอนาคตเป็น ต, นตนเป็นอนาคตปัจจุบันเป็นตนต น, ตนปันจจุบันเธอทั้งเหาะตาะเธอก็ข้ามทะเลหลวงไปแล้วเนอ้อเ ร, ราบรมาศาสดา ใครเธอให้เห็นชัดว่าเป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นแล้วให้จบลงเพียงนั้ น, น, นเน้อเราก็ลงมาใสกเธอทั้งหลายอย่าต่อไปให้มีรักมีชังมีหลงว่าเราว่าเขาว่าสารพมคุณเน้อเป็นแต่สักว่ารู้ตามเป็นจริงของผู้รู้แล้วก็หยุดเพียงแค่นั้นวิญญาณปฏิคนที่ของพวกเธอก็อดับไปลนะที่นั้นเองตัวนี้เออ เธอทั้งหลายอย่ามาเกิดแก่ก็บตายอีกเนึอพระบรมศาสีร์จงเรียนวิชาเคล็ดลาบซะพระบรมสารีรัสดามาเถิดลูกหลานเอ๋ยพ่อข้ามมาฝั่งนี้แล้วค่ะค่ะตาบะคําะะคสอนเจริญปัาวะร่องที่อยากเราอยู่ทุกวันพระบรมศาสีร์มามาเถิดลูกหลานเอ๋ยข้า ม, มาทางนี้ซะทางนั้นมีแต่ภัยมาทางนี้ซะพ่อมาแล้วลูกๆยังไม่มา เห็นภัยในวัฏะสองสามอย่างเต็มที่เสียเน้อลูกหลานเอ๋ยเห็นภัยในวัฏะสองสามอย่างเต็มที่ก็ดับเพลินในวัฏฏะสองสามอย่างเต็มที่อยู่ในตัวนี่หลวงปูไ่ไหมเนี่ยพิมไหวดอกเขามีศรัทธาเขาพิมม า, ขาเขาเรียาให้หลวงปู่ถ้าหลวงปู่ที่พิมไหวก็ถทา ก, กับว่าลืมตัวทำท่าทำทางเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดช แต่คนอื่นเขาพิมพ์มาให้น้องปู่น้องปู่ก็ไม่ได้บอกเขาพอแล้วนะเอะพอแล้วีออ่อืมเอออืมด้วยเลยพระพุทธศ า, าสนาด้วยเลยพระพุทธศ า, าสนาอันทรงพระคุณข้าไม่มีประมาณ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 ฮึมฮึมฮึมีึมไม่เป็นปัญหาเลยค่ะไม่เป็นปัญหาอืมอืมฮึมเป็นปัญหาเหรอไปจะยกไปจะยก ทอาคำวาบ่อยใจก็สูงขึ้นบ่อยทำบาบ่อยใจก็ต่ำลงบ่อย ทำดีก็ไปวบวกดีอยู่ที่ใจทำชั่วก็ไปบวกชั่วอยู่ที่ใจทำดีก็คือทำฉลองใจทำชั่วก็คือทำฉลองใจดีก็ไปบวกดีอยู่ที่ใจชั่วก็ไปบวกชั่วอยู่ที่ใจเนั้นจึงได้พยายามทำดีให้เหนือความชั่ว ถ้าดีพอแล้วก็เข้าสู่พระ涅槃ไปสักชั่วก็หายไปนักที่นั้นเองถ้าดียังไม่พอก็เข้าสู่พระานไม่ได้ถ้าดีพอแล้วก็เข้าสู่พระานคือดับเพลินในวัฏจัทรงสาร นอนใจในวัตฏสงสารกับนอนหลุมทางเพลิงก็มีความหมายอันเดียวกันม่ตักไสม่ตักเ่นุม่มเหมาคนเดียวเหรอโอเอ อ, เ อ, อกุ้มกุ้มนี่กุ้มนี่นเอ อ, เ, อ, อเสียละคุ้มเออละคุเ้เท่วเออไปถ้ำห้างนีนวว่จะโดนเหรออ๋อจะดง เล่หนูแต่ไปสองเธอจะเกิดมาเนี่ยสมัยสมัยลงปู่ปุ่มนั่งอยู่เออสมัยน่ะจะ ไ, ไปสองพันที่ไรแปดที่แปดที่เก่าไปแต่ <c oughs> พักหนุหันออกจากย์ันกามากน้องมาทางบ้านน้องห่าง ออกจากก็มาพักเยบ้านซ่องผู้เดียวอออกจากวันซ่องก็มาพักหน้องหาออกจากน้องหาเขาทำภเวเอกก็มดทำพระเ อ, อกกรรร็ร้องผูเขาลงมาโขงมาทังผู้พลานปว่ามาผู้เดียวอไปทับพักทำพระเด่น ออกจากธำมพระแดนร้นองลงมาร้องลงมาจนถึงอเภเพพันนาใ น, านครมจังมาพักเมื่อร้องภูหมั น, มนบานน้องถือสี่พันษาอยู่หายสวายอยู่พระเพิร้องภูหมันนะครับลงไปผู้เกสทา้งห้าร้องภูเทีมีร้องภูเหรียนลงไปนั่งสามพันษา ขึ้นมาทางจังหวัดกรบีึข้ขามเขาท่อยจังวัดพังงามาจังหวัดกรบีขึ้นรถจังหวัดอมาข้ามจังหวัดกระ บ, ะา ม, ระบมาจังหวัดตรังมาขึ้นรถ ด, ด่วนยโสธขึ้นเทิงกรุงเทพโอาการกรุงเทพต้อว่า ถึงอุดอรเทนาะมาพากลอายุทยาตะกันไหมออกจากอายุทยากับมาพักอยูวัดโพธิสมพอรเมื่องอุดอรท่านี้คือสองตามคือออกจากทางเขามาทั้งฝายและ่อนพนม่ม สองพันหารอยมายนีย่มาอยบันหอยทรายสี่พันสาเอกมาอยนี่แต่สองพันหารอยเนี่ ย, ย, เ, ย, 2500, เ, ยเท่าเดียวนี่แปลว่าเกิดมาในชาติ น, นี้มาโยทินนี่โดนโกมูนี่2สองพันหารอยสามถึงหกปีนี่ นับสั้งโยงหัวใต้มันก็เป็นสี่สิบปีไม่อย่ทั้งนี้นับ ช, ชั้งยงหัวใต้คำเสียเที่ยวสงสารจะป่าพทุมเถ่าไปเลยนับศาตรเถ่าป่ า, า, าปรกรเถ่าละมา่านเที่ยวสงสารจะป่าพุทโธเถ่เาเหมันกับเอ็น่ว่าธนว า, วา เกิดมาแหก็เฒาแก่เก็บตายหาความสุขในโลกบะมีถอดจะแก่จะเก็บจะตายหาบะมีะร้ายแล้วพระพุทธเจ้าหรือพระนายโลกนายที่เขามาหลงโลกนายที่เขาหลงมาเกิดแก่เก็บตาย ได้รู้เท่าจะของสลักกับไรว่ามากับไรเขาูโซภนิพานพาาระอรหันต์ทั้งหลายขาขมคว่ำหลงจะของพระอรหันต์ทั้งหลายหลงอะไรบดบดคว่ำหลงจะของไมโยซีย่างหลงวักหลงของว่าเทียงว่าเป็นของเทียงหลงของเป็นทุกข์ว่าเป็นทุขคือหนังหุม่มหลงของว่าเป็นตัวเป็นตนว่าเป็นของเป็นตัวเป็นตน หลงของว่าของของว่สวยบ่าง้ามว่มาเป็นของสวยของง่ามคือนังห่มอยู่นีงเมื่อหลงอันนังห่มอยูนันี่อันอื่นก็หลงไปซะกันเมื่อมาหลงนั่งห่มอันอื่นก็มาหลงเมื่อรู้เท่านังห่มอันอื่นก็รู้เท่าวัดเหตุหนั้นพระจังหันพี่ชนาเพิ่นเลยมอมาหลงอีกสักหนกเขา้าใส่นีความหลงจะของว่ามัดก็ต้องมาหลงรู้พระรหัใส่นีความหลงจะของมันแล้ว วามควหลงไปแล้วสวยรัฐเนี่ยเพืเดียวมันเต็มมากคือเขาตั้งน้มท่าแองล่ะบัตรีเต็มก็เต็มคู่ที่ซ้าอ่ะแต่ห้ามทางระบบอีกวันอันได้พระคุณศาสนาคือเหมือนดังพระจันทร์ในวันค้างึ้นแต่พระกามาแห้มอีกคือเดือนความสระสนะควมหลงจากของแล้วมันก็บ้าหลงอีกขาสูว่าในพา ก่าโยมันกระหุงจักมันฆ่ามันคอแจ้มันไปเองหรอกให้กระหงจักทอมันอุปสรรกเป็นยาวิเศษมันเป็นเหตุไถ่เบื่อนายานาโลกคนเห่าประสบการทุกจังเข็ดลาวเลยคำว่าประสบทุกขคำว่าเข็ดว่าลาวเลยทุกเกิดทุกแก่ทุกเก็บ ท, ท, ท, ทุกตายก็ประสบเห็นเหตุอัน น, นี้ยมันจังเข็ดลาลผู้ใดผู้ใดหวังคนทุกข์นปัจจุบั น, นาศาสตร์ผู้นั้นสั่งบาลเมีใจกลางมาแล้ว ให้พ่อน้าบานี้เนาะปวดวดปวดดยะทาวานิวาาปุราปริ์ปุรินเจสากละเอวเมวะยโทเจนังเพตาังอุปคปติอิจิตังปิจิตังสุมหังคิปเมวาสมิสกตุสภพพุเรนโดสักขปาจันโทนนโสรยะธามณิโเจนโทยะาสีโยยวัชณะสพโรโนทตตุมาเทภววันตรายโยสุขีตีขายโยกูโทอภิวาศีิสสะนิจังวุฒาปะจารโนชะตาโรธมาวัฏจันติอายุวโน ช่วยอางฝั่งให้ชกประสุกชกกระสุกไดอืมอืม ว่าก็คือพระโสดาวันพระสกทาคามีอนาคามีพระหันสมประสงเป็นลำหลับไปเหลือนอกนั้นไม่สมประสง ม, มีแต่วนเวียนอยู่ในวัตฏสงสารเท่านั้นเองภูมิพระโสดาบันมีอย่างไรว่าไม่เสียดายอยากล่วงละเมิดชิ้นห้าไม่เสียดายอยาก ร่วงอบา ย, ยมุกไม่เสียดายอยากจะถือศาสตราอื่นไม่เสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่เสียดายอยากจะจองเวรท่านผู้ใดโกรธอยู่แต่ไม่ถึงกับจองเวรผู้ใดชอบจองเวรในใจกับคนอื่นขอให้มันเป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้มันมาทํากูอย่างนั้นมาทํากูอย่างนี้คนนั้นอยู่ไกลโลกุตละธรรมไม่ถึงง่ายไม่เช่ยดายอยาก จะจองเวียนท่านผู้ใด ไ, ไม่เสียดายอยากร่วงอรภัยเมง่ไม่เสียดายอยากจะถือเลิกดีงามดีสิ่งไหนที่ไม่เสียดายร่วงละเมิดสิ่งนั้นมันก็ไม่หนักใจนั่นคือรวงตาเห็นธรรมนั่นคือหิ่งไตสนานกรมเบื้องต้นของพรษษะพุทธศาสนา จะบานหน้าไปในทางเจริญเหมือนดังพระจันทร์ในวันพินแต่ไม่กลับมาแลมอีกถ้าไม่อย่างนั้นเรียกว่าตรงกันข้าม จะยืนเดินนั่งนอนภาวานาเจ่งสักเพียงไหนก็ตามถ้าเสียดายอยากล่วงละเมิดอวบายามุกถ้าเสียดายอยากล่วงละเมิดศิลนหา้าถ้าเสียดายอยากจะถือาศาสนาอื่นถ้าเสียดายอยากจะถืออยู่ยงคงกรพันอยู่จะบวชล้านปีก็ตามเถิดยังไม่ถึงธรรมะเอวังอะละ พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เาหอมพระพุทธเจ้าว่าเป็นของเท่าเนอกเขาเห็นเจ้านะขาซื้อพระเจ้าเขาก็บมาเหตุทุกสิ่งทุกอย่างเขาที่เอาอี้ยังมากรีดมาท่ามันกับพานพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มัดยิดใจเขานึกพานังสั่ตะกอนเขาจังออกมา๋ย่าพานหันมัดตะอนเขาไม่ท้าพระเถรนี่านพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มัดสาหรับเทาสินี้ยังไม่เหตเหตุกดูพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพะยาสงเกลิาอาศัยกี่วันบินทบาทเสนาสนนเทพสัตว์ท้องคนน่ะ ถ้าม้าว่าเป็นผู he he ้นี said, ้บุนวัฒนาผู้ดังปิ้งแยบปี้งแยบปิ้งแยบตายอย่างทาไปแค่มาเห็นกระดูกพระพูดพระธรรมพระสงค์แมนบอกว่าหันวันวันมันแมนหันมันมันโมแมนแก่สู่มบอกมันเป็นอย่งยากลูกร้านบอดีบอกมันมันแมนหันเคยอย่างนีหนึ่งเที่ยวบอล่ะบรบอด้เคยอย่านีมันแมนบอฉันได้อย่งว่าและว่าวัฒนาของกูวัฒนาของกูวัฒนาเนั้นก็เห็นแจ้านาคาซื้อว่าพุทพระธรรมระสงค์เามาเห็นเขาจ่ายให้เขาปฏิบัติหนวิจากบอก เขจ้างเห้ห้องัตถวัตกุ่มค่าจ้างเขาบ่นอะไวัตถิวัตเนาเขาเขาก็มาจ้างให้ห้องกินจ้างให้ห้องปัตถวัตกลุ่มค่าจ้างเขาเรียก่กุ่มเหรอพกุ่มค่าจ้างเขาก็เป็นเพจทั่วๆไม่นย่เลยสัไว้ทันแล้ละฮะเนไหยทาไมทําไมจึงว่าวิปัสสนาธุระตอบทําไมจึงว่าวิปัสสนาธุระคือธุระอะไร คำว่าวิปัสสนาธุระหมายความว่าอะไรด้วยทำไมจึงว่าวิปัสสนาธุระทำไมจึงว่าสีไม่ว่าสีธุระสมาธิธุระทำไมจึงว่าวิปัสสนาธุระเพราะเหตุใดตอบฮะ<อ>เอเอก็ถูกอยู่ใครตอบอีกอ้าวถูกอยู่ ถูกนี่ก็ถูกตอบอีกมันยังไม่ถูกหมดอถูกทีนี้จะอธิบายให้ฟังเนอะถูกแล้วอันนั้นก็ถูกดุคําว่าวิปัสสนาทุระวิปัสนาแปลว่าปัญญาทุระแปลว่าทุระมีทางในปัญญาศีลทุระกะด็ดีก็ต้องมีปัญญาควบคุมสมาธิธุระกะด็ดีก็ต้องมีปัญญาเป็นหัวหน้า พระปัญญาเป็นหัวหน้าในธรรมทุกหมวดเหตุฉะนั้นจึงว่าวิปัสสนาธระมีธระทางปัญญาทางสติปัญญาผู้รักษาศีลถ้าไม่มีปัญญารักษามันก็ไม่คุ้มผู้รักษาสมาธิ ถ้าไม่มีปัญญาทำให้สมาธิเกิดขึ้นมันก็ไม่ขึ้นและมันก็ไม่ตั้งอยู่มันไม่คุ้มอีกเหตุฉะนั้นจึงเอาปัญญาเป็นหัวหน้าของธรรมทาทงหลายไตรชิกขาก็มีปัญญาเป็นหัวหน้าทีนี้อดีตคืออะไรอดีตคืออะไรอนาคตคืออะไรปัจจุบันคืออะไรจะพูดโดยย่ออดีตคือขันหานที่ล่วงไปแล้ว อนาคตคือขันห้าที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือขันห้าที่กำลังเป็นอยู่ขันห้าคืออะไรรูปขันนามขันก็เรียกว่าขันห้าเหมือนกันรูปขันคืออะไรว่าคือดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่ที่เรียกว่ากายก็เรียกว่ารูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เรียกว่านามขันรูปขันนามขันนี่เองที่เรียกว่าขันห้ารูปขันนี่เองที่เรียกว่ารูปปโร นามขันนี่เองที่เรียกว่านามาโรครูปขันนี่เองที่เรียกว่ารูปสังขารนามขันนี่เองเรียกว่านามสังขารรูปขันนี่เองเรียกว่ารูปประโนามาโรกเกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนในแตกสลายไปอดีตคือขันห้าที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือขันห้าที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือขันห้าที่กาลังเป็นอยู่เกิดขึ้นแล้วก็แปรปวนในแตกสลายไปเป็นยุคเป็นยุคุ คำพูดแต่ละวัระบาตก็ล่วงไปแล้วจะพูดอีกก็ล่วงไปนะซึ่งหน้านั่นเองเมื่อเห็นอันนี้จังชัดขั้นห้าก็ปลอยเป็นอันนี้จังไปด้วยเป็นอยู่เก่าก่อนยังไม่ทันเห็นมีทุกสัมพยุ์อยู่เธอท่าหลายจงรู้ตามมันจริงสัพระบรมศาสร า, ศ า, ศาให้นายให้เบื่อในขั้นห้าอย่ามาติดอยู่ในขั้นห้าอย่ามาหลงขั้นห้าว่าเป็นของเที่ยงอย่าหลงขั้นห้าว่าเป็นของสุข อย่าหลงขันห้าว่าเป็นของตัวตนอย่าหลงขันห้าว่าเป็นของสวยของงามถ้าไม่หลงสิ่งเหล่านี้แล้วก็ข้ามเทเรหลงไปสหัาทีนี้ย่นขันห้าลงมาหาผู้ลู่ทีนี้อดีตคืออะไรคือผู้ลู้ที่ล่วงไปแล้ว อนาคตคือผู้รู้ที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือผู้รู้ที่กําลังเป็นอยู่เธอทั้งหลายจงรู้ตามเป็นจริงเป็นแต่สัจควารู้เสียเน้ออย่าไปยึดถือผู้รู้เป็นตนเป็นตัวเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบคนุคคลเธอทั้งหลายเมื่อมาจะยึดถือว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตผู้รู้เป็นตนตนเป็นผูน้แล้ว ผู้รู้แล้วท่านทั้งหลายก็ข้ามจิตไปแล้วท่านทั้งหลายก็ข้ามผู้รู้ไปแล้วผู้รู้ของพวกท่านทั้งหลายได้จิตของพวกท่านทั้งหลายก็เป็นของว่างที่ไม่เป็นของว่างก็เพราะพวกท่านทั้งหลายไปยึดถือพระบรมศาสตร์เมื่อท่านยึดถือสิ่งใดสิ่งนั้นก็เป็นเพราะเป็นชาติวนเวียนกันอยู่พูดโนยยอดพระเวลาน้อยเป็นวิปัสนาธุระสมถะก็อยู่ในตัว ศีลก็อยู่ในที่นี้สมาธิก oh. ็อย <|ja|>> ู่ในที่นี้ปัญญาก็อยู่ในที่นี้ไตรเสกขาก็รวมคนกันอยู่ที่นี่ในปัจจุบันแปดหมื่นสีพระธรรมะขันธ์รวมลงมาในปัจจุบันนธรรมไม่ว่าจุปันปุปปัจจุบันนิจิตโลกอดีตโลกอนาคตอดีตก็คือโรกอดีตโลกอดีตคืออะไรคือขันธ์ห้าที่ล่วงไปแล้วโรคอนาคตคืออะไรคือขันธ์ห้าที่ยังไม่มาถึงโรคปัจจุบัน พูดเอาอย่างนี้ก็พอฟังได้หลอกรูปเวสนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของเที่ยงหรือไม่เป็นของไม่เที่ยงถ้าไม่เที่ยงแล้วเป็นทุกข์หรือเป็นสุขก็เป็นสุขก็เป็นทุกข์ถ้าไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้ว สําคัญว่าเราเขาสัตว์บกคนใจจริงไหมก็ไม่จริงก็เป็นแต่สัตว์ว่าลูกขันนามขันเท่านั้นมันขันอยู่ไม่มีกลางวันกังคืนเกิดขึ้นกาแฟพวงนันแต่สลายอยู่เฉยเฉ อ, อเห็นอนนี้จังขณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเห็นทุกขณะคิดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้ว เห็นอนัตตาสิ่งที่ไม่ใช่ตัว ต, วตนคณะจิตหนึ่งคือมีแต่สังขารเน่กองทุกข์พอเห็นรอบโลกแล้วพระบรมศาสด า, า, า, า, าสอนให้รู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงหลุดพ้นตามเป็นจริงซะทัานพูดอย่างนั้นที่ไม่รู้ตามเป็นจริงที่ไม่ปฏิบัติตามเป็นจริงไม่หลุดพ้นตามจริงก็เพราะความหลงเป็นนายหน้าปัญญาเท่านั้นจะชนะความหลงของตนให้แตกกระเจอ ถ้าปัญญามารู้เท่าแล้วอวิชชาตันหาอุปทานก็แตกเจิงไปนะักเ่นั้นเองวิญญาณมจิสันติก็ไม่มีใครเป็นผู้พูดก็กายสังขารวจีสังขารจิตตะสังขารเป็นผู้พูดพระนิพพานไมไ่มาพูดด้วยไม่ได้มาดีใจเสียใจด้วยพระนิพพานแต่อาศัยปัจจุบันเป็นเครื่องเดินเข้าสู่พระนิพพาน พุทโธคําเดียวเพราะพระไตรปิฎกพุทโธไม่พามาเกิดพุทธโธไม่พามาแก่พุทโธไม่พามาเก็บพุทธโธไม่พามาตายพุทโธไม่พาหลงอดีตอนาคตปัจจุบันด้วยพุทโธไม่สั่งสอนให้ยินดีในชาติในพวกพุทโธสอนให้ยินดีในพระิพาน槃สิ่งเดียวธรรมโมอันเดียวก็เหมือนกันก็ส่งต่อพระ涅พานได้เหมือนกันธรรมโมทรงอยู่ทรงอยู่ซึ่งธรรมอันไม่ตายคือมาผลาน ทำฝ่ายสังขารก็เกิดดับอยู่ไม่มีกลางวันกงคืนสังโฆก็ปฏิบัติเพื่อเข้าสู่พระนิพพานตกลงพุทโธธรรมโมสังโฆก็แปรจนถึงพระนิพพานได้เหมือนกันต่อไปนี้ก็จะให้ก่อนเนะ้อ ยะทาวาเิวหาภูราปิปุเรนเจสาคลังเอวเมว่เยโตเทนังเปตาณังอุปคปติวิชิตังปะชิตังตุมหังเกปะเมวะสมิสตูสัเพภูเรนตุสังกาฟาจันโทปนารโสยะามนิโสเทระโสยะทาสพีตโยยวัจจันสัพพสุโคสภโยโทโรโนัสตุมาเตภวัตตันตรายโยสกิธีคาโยปุหะอภิวัตนาสีนิสานิจังมุตตาปจายนจตารูธรรมวัฏทันติอายุวันูสุขังพลังสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรมานุภาเวนะ สัสังขารนภาเวลาพุทธรัตนังธรรมรัตนังสังคาราตันังตีนังนาตนานังอานุภาพเวนะเจตุราีตีตังสะตมััานุภาพเวระพิกติยาุภาเวระเชนาสาวการุภาพเวระพเพเตโรคาสัพเพเตพยาสัพเพเตอัตรายาสัพเพเตอุัตวาสัพเพเตทุนมนมิตราสัพเพเตอวังขราเวนัตสันตุอายุวัตโกตนวัตโกสิริวัตโกยสาวัตโกภรวัตโกวันนาวัตโกสุขามาตโกโหตสัพตาตุกรขยาเวราโสกาสาธุจุปั ทุกครั้ สดถี่ภากายังสุขรางพลังสิริอายุจวันโนจะโพกังวุฒีเจยสวะสัตวัษายจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตว่ตสัพพมังคลัะัสัพเทวตาสภคุตาวายนะาธาสเถิพวันเตเตวาตสัพพมังคละันุสัพเทวตาสัพพันาพาเวลาสธาสถี่พวันเตเตว่ตสัพพมังคลัะขันสัพเทวตาสัพพัฒนาาเวาธาสถีพวันเตอยู่าด้วเดพพุทงศาสนาอันงุระคุณค่าไัพมีประมาเแลวก็ตธามดอยู่ทุกกาเด้วยไม่ขึ้นอยู่กับผู้ แล้วไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่ก็คูดเชื่อแล้วไม่เชื่อไม่ขึ้นอยู่กับพูดเรื่อมใสแล้วเมื่อไรเรื่อมใสเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายทุกข์ทนมากที่มาในที่นี้ก็ดีที่มาในมาก็ดีจงประสบแต่ความสุกขความเจริญทุกๆด้านทุกๆมุม ย, ยิ่งขึ้นไปจนถึงทีง่สุดทุกโดยทอบอยู่ทุกเมื่อเธอทุกโมงกว่าแล้วเนี่ยจะได้เดินทางต่อ